คู่บาปเหมือนรักกันมีแรงดึงดูดไม่ให้ไปไหนแต่เป็นไปเพื่อทำร้ายจิตใจกันทุกวันบาปคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งใจให้เกิดความสกป ร, รกมัวหมองเกิดความรู้สึกผิดเหมือนถูกเสียดแทงหรือเกิดความเจ็บแสบเหมือนได้แผลการกระทำอันเป็นบาปเมื่อถึงเวลาลผลเยผลย่อมก่อทุกข์ผลักใสให้ตกต่า อย่างไรก็ตามชั่วขณะแห่งการก่อบาปเป็นไปได้ที่จะเกิดความสาดใจกระยิมยิ้มย่องคนลุก ป, ปีติบาปจึงอาจแฝงตัวมาในรูปของความสุขที่ได้ทำเลวๆใส่ใครสักคนอิ่มเอมเมื่อมีชัยเหนือคู่แค้นได้และเพราะอย่างนั้นคนเราถึงชอบทําบาปกันอยู่คู่บาปคือคู่ที่สั่งสมความเคยชิน ที่จะจงใจทำร้ายกันด้วยคำพูดหรือด้วยการชักสีหน้าการทำกิริยาปึงปังการกระแทกอารมณ์ประชดใส่ข้าวของหรือการระบายโทสะรุนแรงใส่หูใส่ตาผ่านช่องทางวิธีเหนือเมฆใดๆก็ตามแม้จะทำบาปใส่กันบ่อยๆกู้บาปก็มักจะไม่ได้ทำร้ายกันตลอดเวลายังมีช่วงของการทำเรื่องดีๆช่วยให้รู้สึกดีต่อกันอยู่บ้าง ช่วงนั้นแหละที่ก่อให้เกิดความรักสายใยผูกพันและความรู้สึกว่าไปไหนไม่รอดที่เรียกว่าคู่บาปเพราะนึกถึงกันแล้วนึกถึงความเจ็บใจแสบจริงที่เรียกว่าคู่บุญเพราะนึกถึงกันแล้วนึกถึงความอุ่นใจสบายจริงอาจจะเปลี่ยนน้ำหนักจากความเป็นคู่บาปมาเป็นคู่บุญ คุณต้องเข้าใจหลักความจริงที่สำคัญประการหนึ่งนั่นคือคู่บาปอาศัยความจงใจร้ายข้างเดียวก็พอแต่คู่บุญต้องอาศัยความตั้งใจดีจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่เคยร้ายใส่กันอย่างไรวันใดตกลงกันได้เกิดสติร่วมกันได้เห็นเข้าความคิดร้ายก่อตัวขึ้นเมื่อใดและตั้งใจสร้างความเคยชินใหม่ คิดดีเป็นตรงข้ามกันเป็นคนละขั้วกันกับของเดิมณจุดแห่งใจนั้นและคือจุดเริ่มต้นเปลี่ยนคู่บาปเป็นคู่บุญส่วนจะสำเร็จเสร็จเป็นคู่บุญได้จริงไหมขึ้นอยู่กับจะมีใจจริงสร้างความเคยชินสักเพียงใดตั้งใจมีสติให้ต่อเนื่องสักกี่นาม